ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมได้นำเสนอเรื่องประวัติพระนรุสเทระสืบเนื่องกันมาโดยลำดับก็มาถึงช่วงที่ท่านเล่าถึงผลดีงามซึ่งเกิดขึ้นจากการถวายทาน สมัยที่เป็นคนยากจนชื่ออ น, นภาระแต่วหลังจากถวายทานที่ประกอบด้วยสามป่าคาคุณสี่ประการในวันนั้นท่านก็ได้กลายเป็นเศรษฐีในวันนั้นก็ทําให้มีความเชื่อมั่นในบุญกุศลมากยิ่งขึ้นและทําบุญกุศลมากยิ่งขึ้น จนตายไปก็บังเกิดในเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากก็มาถึงช่วงที่ท่านเล่าว่าเราลึกถึงชาติก่อนก่อนที่เคยอยู่อาศัยมาแล้วได้เราได้เคยเป็นหัวหน้า ท้าสกะเทวราชดูในดาวดึงชีเทพิภพมานานคือท่านเกิดเป็นท้าสกะเทวราชเนี่ยเจ็ดครั้งด้วยกันในชาดกของเราก็จะพบ ว, ว่าพอพระเจ้าทรงสรุปชาดกในตอนสุดท้ายก็บอกว่าท้าสกะในคราวนั้นได้เป็นอนุรุตถเทระในคราวนี้ แต่ถ้าก็บอกว่าเราได้ปราบปรามไพรีไพ่แพ้แล้วสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจอมมนุษย์นิกรในชมพูทวีปซึ่งมีหมาสมุทราคอนทั้งสี่เป็นขอบเขตก็ถึงเจ็ดครั้งปกครองประชาชนโดยธรรมก็วันกอนก็มาเน้นกันในประโยคตรงนี้ว่า มันเป็นแบบฉบับของการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาคือหมายความว่าคนที่บริหารแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยก็จะเป็นธรรมมิกราชคือประชาผู้ทรงธรรมอยู่ในฐานะเป็นบิดาของอนาประชาราัชดร ล้วก็สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือพระเจ้าจักรพรรดิสังคมไทยเราเป็นสังคมที่ใฝ่ฝันถึงพระเจ้าธรรมิกราชแล้วก็มีความเชื่อว่าในการต่อไปนั้นพระเจ้าธรรมิกราชก็จะเสด็จมาอุบัติในโลกมนุษย์อนนาณาประชาราัศดรก็จะอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน ส่วนสังคมอารยันนั้นก็ปรารถนาพระเจ้าจักรพรรดิส่วนสังคมยุโรปก็ปรารถนาอัศวินกี่ม้าขาวก็สรุปว่าโลกทั้งปวงนั้นต้องการผู้นำแต่จะต้องเป็นผู้นำที่ทรงธรรมในทางรัทธศาสนาพระพุทเจ้าทรงจำแนกอธิปไตยะคือความเป็นใหญ่ ก็คือระบบการนำการบริหารประเทศนั่นเองก็แบ่งเป็นสามประเภทประเภทแรกประเภทผู้ น, นำเดียวที่เรียกว่าราชาธิปไตยอาจจะเรียกว่าประเดชการอาจจะเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ว่าของพระวุทธศาสนาไม่ได้แปลกประหลาดอะไรและไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรตรำหนิแต่ประกรันใดเพราะว่าท่านจะทำงานบริหารราชการแผ่ น, นดินโดยมีสติมีสัมมชัญญาที่สมบูรณ์สมบูรณ์ระดับกษัตริย์นะฮะมาใช่สมบูรณ์ระดับพระอรหันต์ รายการที่สองเรียกว่าโ ล, โ ล, โลกาธิปตยาคือบริหารไปตามกระแสของชาวโลกแต่เรเทียบในปัจจุบันก็คือระบบประชาธิปไตยจะมีประมากษัตริย์เป็นประมุขมีประธานาธิปดุประธานาธิบดีเป็นประมุขใครเป็นผู้นำในการบริหาร อย่างสหรัฐอเมริกาเราจะพบว่าประธานาธิบดีเป็นผู้นำในการบริหารแล้วก็เป็นประมุขแล้วก็เป็นจอมทัพอังกฤษนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในการบริหารแต่ก็มีพระนางเจ้าเอลิซาเบธเป็นประมุขของแผ่นดินโครงสร้างก็เป็นรูปของประชาธิปไตย มีพระมหาก ษ, ษ, ษัตริย์ทรงเป็นประมุกมีระบบการเลือกตั้งแต่ว่าเขาพัฒนาก้าวหน้ามาไกลมากไกลเรื่องปฏิวัติรัฐประหารมานานมากแล้วของเราก็เป็นประชาธิปไตยที่กำลังฝึกหัดของว่างก็มีปฏิวัติรัฐประหารซ้อน แทรกซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราก็เรียกตัวเราเองนะฮะคนอื่นก็จะเรียกหรือไม่เราก็ไม่รู้หรอกก็าเป็นระบบประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ในตรงนี้ท่านแนวของพระพุทธเจ้าก็คือต้องใช้ปัญญาเป็นหลักประยุกต์สมัยปัจจุบันนั้นสื่อสารตุรคมนาคมสารสนเทศ ปัญหาต่างๆนั้นมันเร็วมากและมีความเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากแล้วก็ทุกเรื่องเปลี่ยนแปลงรวเร็วเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสาธารณาภัยประเทศจะต้องมีความมั่งคั่งทางเศษษษษษษรษฐกิจพาะกิสาธารณาภัยขึ้นเนี่ยซับ อสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนจะเสียหายเยอะธรรมชาติจะถูกทำลายไปเยอะประชากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆจะตายไปเยอะแล้วถ้าหากว่าไม่มีเงินในการบรูรณะปฏิสังขรบำบัดสาธารณภัยต่างๆที่บังเกิดขึ้นประเทศก็จะยิ่งจนหนักยิ่งขึ้น ก็ทำนองสึนามิที่เกิดขึ้นแก่บ้านเราอย่างวันก่อนที่เกิดขึ้นที่เหตุติฟังแล้วก็น่าตกใจนะฮะตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกเรื่องนี่ก็แสดงให้เห็นว่าปัญญาในลักษณะวิจารณญาณที่มองเห็นการไกลแต่เราภลาดมีความรับผิดชอบ จะนักถึงภารากิจที่จะต้องจัดจะต้องทำาริสมมติฐานขึ้นมาว่าเกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะทำอย่างไรอย่างแนวสาานาภัยแนวนี้กรมอุตนุนิยมวิทยาธรณีวิทยาเนี่ยก็ต้องเป็นหลักติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตลอด ครป้องกันได้ก็ป้องกันป้องกันไม่ได้ก็บําบัดแต่มาหนักในตอนบำบุงเพียงแต่ว่าถ้าผู้นํามีปัญญาเป็นหลักมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเท่าไหร่เพราะปัญหาธรรมชาตินั้นยังไงยังไงก็ยอมรับกันแล้วว่าไม่มีใครที่ศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์ไปแก้ปัญหาธรรมชาติได้หรอกเพียงแต่ว่า บรรเทาความรุนแรงของภัยที่มันเกิดแล้วนะคือนึกถึงปัญหาธรรมชาติมันก็นึกถึงคายๆกระโจนปล้นนะตำรวจต้องมาทีหลังทุกทีนะถามว่าทำไมจึงมาทีหลังแล้วถามว่าเขาจะรู้ได้ยังไงว่าใครจะปล้นที่ไหนเมื่อไรล่ะ เขาก็ต้องมาทีหลังถ้าเขาอยู่ใกล้ก็มาเร็วหน่อยถ้าเขาอยู่ไกลก็มาช้าหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่มีตำรวจที่ไหนที่มาถึงพร้อมๆกันโจรหรอกมาถ้าพร้ อ, รอมๆกันโจรก็ปล้นไม่ได้ต้ามารออยู่ก่อนโจรก็ปล้นไม่ได้ตำรวจก็ต้องมาทีหลังอย่างงั้น แต่สำคัญว่าจะต้องติดตามจับกลุ่มมาสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ปัญญาบางอย่างเราไม่จำกัดแต่เราไม่มียานรับระลึกถึงอนาคตังสยานในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไรด้วยวิธีใดอะไรนเราก็ไม่รู้และถ้าจะปกครองด้วยระบบอุดมการณ์ที่เรียกว่า ระบบธรรมาธิปไตยใช้ธรรมะเป็นมาตรวัดตอนการปกครองประเทศประชาชนโดยธรรมเนี่ยของพระเจ้าจักรพรรดิท่านธรรมะเป็นเกณฑ์ท้ายใช้ธรรมะเป็นวัตถุผิดชี้กันที่ธรรมะปะัญหาว่าธรรมะว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้น แต่นั้นจริงเล่าต่อไปว่าโดยไม่ต้องใช้อาจยายาหรือสตรรา ใ, ใดๆเลยปกครองด้วยบารมีปกครองด้วยอำนาจของพระบารมีเราลองสังเกตวิกฤตการที่เกิดขึ้นในบ้านเราท่านในหลวงเสด็จออกอย่างสองสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าก็ทุกครั้งก็ยุติ เรียบร้อยเป็นปกครองด้วยพระบารมีรับสั่งด้วยพระบารมีบารมีนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนปพระโกลที่สะสมบารมีมาจนอุบัติในราชวงศ์นี่ก็ก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกแล้วก็พัฒนาปัญญาต่อนเนื่องมาด้วยที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือทรงธรรม มีความเที่ยงธรรมมีความเป็นธรรมแล้วก็ทุกอย่าง ก, ก็ยุติโดยธรรมะก็แนวทำมิกราชก็ดีแนวพระเจ้าจากักรพรรดิก็ดีแนาวาสวินขี่ม้าขาวก็ดีนะฮะก็เป็นความคาดหวังของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณก็ในส่วนต่างๆของโลก ก็ของเพโตเองก็มีพิลโตโเฟอร์คิงหมายความมกษัตริย์ที่เป็นนักปรัชญาเป็นการบริหารโดยธรรมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าคนปัจจุบันนี้บริหารโดยธรรมจะทำไหวหรือเปล่าเพราะว่าแข็งกล้าวรุนแรงกันเหลือเกินประการต่อไปท่านบอกว่า เราลึกชาติรุนหลังในคราวที่อยู่ในมนุษย์โลกและเทวโลกได้ดังนี้คือเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจ็ดชาติเป็นพระอินทร์เจ็ดชาติรวมการท่องเที่ยวอยู่เป็นสิสี่ชาติด้วยกันนี่นับเฉพาะช่วงนะฮะนับเฉพาะช่วงเพราะว่าการหมุนบนในสังสารวัตรนั้นมันอนเออนกนันต์คือนับกันไม่หวาดไม่ไหวเรพูดเป็นโกดเป็นกลับเป็นกันพระนุรสเองก็เริ่ม ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพองค์หนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐุมมุตระและบำเพ็ญบา ร, รมีต่อแต่นั้นมาก็หนึ่งสงไข่กับกระใหมแสนกับแต่วนับตอนนี้ต้องเข้าใจว่านับเฉพาะช่วงที่ถวายทานแก่พระปัเจกพุทธเจ้าสมัยเป็นอนุภาระ ต่อไปท่านบอกว่าในเมื่อมีสมาธิประกอบประองคห้าสมาธินั้นก็คือการเจริญส ม, มถ ก, กรรมาฐานจะมาทางไหนก็ไม่รู้แหละมันมีอารมณ์กรรมาฐานที่ทรงแสดงไว้สี่สิบอารมณ์เดีวคนที่เลือกกรรมาฐานที่เาเรียกว่าสัพปายะ ให้ความสบายแก่ตัวเองมาเป็นหลักในการปฏิบัติพอเดินไปจุดจุดหนึ่งมันก็เกิดความสงบเป็นขณะขณะไปมีความสงบสูงขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธินี่ควความสงบหนักแน่นมั่นคงขึ้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วก็ต่อไปก็บรรลุฌาน จานมีองค์ห้าเพราะว่านิวรณมีองค์ห้าเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ประกบสยบกำลังของนิวรณ์ทั้งห้าประการเอาไว้องค์ฌานนั้นก็ประกอบด้วยวิถกวิจารปีติสุขเอกะ ก, ะกะตา แล้วก็นิวรณ์ก็ประกอบโดยการมาฉันพยาบาทีนมิธาอุตจกักขุปจักวิจิกิจชาแต่วการประกอบของนิวรณ์องค์ฌานที่ทําหน้าที่ประกอบนิวรณ์ไม่ใช่แบบโลภโกรธลงคือเรเหนว่สีนั้นประกอบโลภโกรธประกอบสมาธิประกอบโกรธแล้วปัญญาประกอบลง หรือว่าความไม่โลภประกอบความโลภความไม่โกรธประกอบความโกรธความไม่หลงประกอบความหลงอันนั้นเกิดเป็นคู่ก็เรียงตรงตัวกันแต่นี้เป็นการเกิดขึ้นในจิตตามพลังของสมาชิที่ประกฏบเก็ดจิตคันวิตกเมื่อเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่สงบทีนมิตะคือความง่วงเหงาห่านอนซึ่งซึม เงาเงาหดหูเครื่อบเคลื่อจุด ช, ชื่อชายเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยสิ่งหมดอะไรตาอยากวิจาร์เมื่อเกิดขึ้นก็ไปสงบวิจิกิจฉาซึ่งเป็นนิวรณข้อที่ห้ามีติเมื่อเกิดขึ้นอย่าทำหน้าที่สงบพยาบาทซึ่งเป็นนิวรณข้อที่สองสุขเมื่อเกิดขึ้นก็ไปทำหน้าที่สงบสยบนะฮะ สยบุ ธ, ธ่าจากุฏกุจะซึ่งเป็นนิวรานข้อที่สี่แล้วก็กามฉันทะเอกคตานะฮะเอ ก, กคตาก็ทำหน้าที่สงบกามฉันซึ่งเป็นนิวรานข้อที่หนึน่แต่กระจิตเนี่ยวนึกตรึกนึกคำควรหวยหาอะไร สินหาอะไรเยื่อใยอยู่กับอารมณ์หลนั้นก็สงบไปพระท่านก็บอกว่าในเมื่อมีสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานห้าเป็นธรรมเอกผุดขึ้นที่เราได้เพราะความสงบระงับกิเลสที่ไปจากสุขของเราจึงบริสุทธิ์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 ตอนพระอนุรุั้นท่านก็ติดใจเรื่องที่ประจักษ์ุท่านบริกรรมเรื่องที่ประจักษสุท่านปรารถนาที่จะพบเห็นเทวดาเราเห็นได้นานๆแล้วก็สามารถติดต่อกันได้แล้วก็พูดคุยกันได้แล้วก็สนทนากันได้สนิทสนองกับเทวดาเพราะอะไรเพราะว่าท่านก็เป็นจอมเทวดามาแต่ลักษณะเหล่านี้มันเป็นความผูกพันอยู่ภายในใจ ต่ชาวบ้านทั่วไปก็ก็เรียกว่าบุเพศนิวาตก็คือเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติ่างก่อนอย่างที่ดางเทพธิดาชื่อเรชาลินีอะไรนี่นะที่มหาประเทระตอนนั้นท่านก็ชรามากแล้วก็ เห็นว่าท่านจะดรามากแล้วก็คงไม่นานก็คงจะตายคือคือไม่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอราหันต์ก็มาชวนให้ไปบังเกิดเป็นเทพประบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงเพราะว่าก็บุรานานเนมาแล้วนะฮะ แ, แสดงว่าเต็มทิดานนั้นก็อยู่นานเหลือเกินเหมือนกัน ก่แสดงว่าตอนสมัยที่ท่านเกิดเป็นเทวาสากอเทวราชญนั่นแหละผู้นี้ก็เป็นผู้หญิงบริวารเป็นเทพธิดาที่เป็นบริวารก็ปรารถนาท่านจะให้ท่านไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงตัวยอยู่ร่วมกันต่อไปท่านก่อแสดงสถานะความเป็นพระราหารันด้วยภาษาที่นิ่มนวลฟังไม่ค่อยออกนะ ฟังไม่ค่อยออกว่าหมายความว่าอย่างไงแต่ว่าเป็นการพูดกับเทพธิดาทัานกล่าวว่าดูก่อนเทพธิดาดวก่อนเทวดาบัดนี้การอยู่ต่อไปอีกด้วยอำนาจการอุบัติขึ้นในหมู่เทพย่อมไม่มีจะสงสารสิ้นไปแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดขึ้นอีกต่อไปนั่นคือสถานะของท่านในขณะนั้น ตอนนี้ก็เป็นการพูดเมื่อบรรลุมพรผลเป็นพระหันแล้วก็นานแล้วด้วยนะฮะคือบรรลุมานานแล้วด้วยปรพูดก่อนที่ท่านจะปรปนิพพานก็มีอายุมีพรรษามากแล้วในข้อต่อไปนั้นบอกว่า เราดำรงอยู่ในฌานที่ประกอบด้วยองค์ห้าจึงรู้จุติแล้วบัดการมาการไปได้วความเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างอื่นของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นการบอกเล่าถึงผล ของจุตูปะไม่ใช่ผลของจุตูปะปาตายานหรือพระทิพะจักษุคือจะถือว่าดูด้วยอะไรก็ได้ดูด้วยทิพะจักษุก็ได้ือจุตูปะปาตายานก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเวลาใช้า ง, งานนั้นก็จะเน้นแตกต่างกันออกไปดังการรู้จุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่ามันเป็นไปต่างกรรม ก็แสดงว่าเป็นการดูด้วยจุตูปปาติยานแต่ว่าทำไมสัตว์เหล่านั้นไปเกิดในที่นั้นที่นั้นที่นั้นที่นั้นก็เรียกว่าทีประจักษสุขแต่ถ้าดูรายละเอียดดูภูมิหลังดูเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะมาอุบัติมันก็กลายเป็นเรื่องของ จูตัประปาติยานไปแต่ครเบล่านี้มันจะมีอยู่เยอะในคำภีพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงอย่าไปติดใจอย่าไปข้องใจสงสัยเพราะว่าลักษณะรายละเอียดในการใช้งานของจิตในแต่ลัขนาดเนี่ย ก็บางทีมันอะไรล่ะคือเช่นปัญญาเนี่ยมันก็มีอยู่หลายระดับใช้ในกรณีนั้นเรียกอย่างนั้นใช้ในกรณีนั้นเรียกว่าอย่างนั้นอย่างสมมติว่าจักษุพิเศษสี่ประการเนี่ยที่จริงมันก็เป็นจักษุพระพุติเาวเรียกชื่ออย่างไงก็ได้ แต่ไ่เป็นผลจากญาณเป็นผลจากญาณมีปัญญามีทิปปะจากสุมีพุทธจากสุมีสมัญจากสุก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดที่จริงก็คือญาณไปใช้ไปในกรณีที่แตกต่างกันนี่ก็เหมือนกันท่านบอกว่า ความเป็นไปอย่างนี้แล้วเป็นอย่างอื่นของสัตว์ทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายนี่มันเรานิยายไม่ได้เพราะว่าตลอดกระบวนการมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เป็นก็มันอย่างนั้นแหละคือมันไม่ใช่เป็นลงตัวเป็นลงตัวว่าเทวดาจากเทวดาเป็นเทวดาจากมนุษย์เป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็น เทวดาอะไรแต่ไหนมันไม่ใช่ลงตัวขนาดนั้นมันเป็นการปรุงแต่งของจิตด้วยกุศลหรืออกุศลพลังของกุศล อ, อกุศลนั้นมีกำลังมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วมันเป็นเรื่องของขนาดเดียวดับแล้วก็จุติตายแล้วก็เกิดนะพูดไงว่าตายแล้วก็เกิด ซึงเป็นไปในเวลาที่รวดเร็วมากเพราะฉะนั้นในการจะกำหนดตายตัวนี่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยถ้าคนเราตายไปเกิดในกุศลในสุขติก็แสดงว่าเป็นผลของกุศ ล, ลกรรมแตตายแล้วไปเกิดในทุกติก็เป็นผลของอกุศ ล, ลกรรม นั่นเป็นภาพรวมแต่กรรมอะไรมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนเพียงไรทำเมื่อไร่อย่างไรเจตนาเป็นยังไงมีองค์ประกอบเป็นยังไงไอนี้ต้องเป็นเรื่องของญาแล้วเราก็ไม่อาจไม่ไม่สามารถอธิบายได้ นะคราับพระให้ศีลสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปท า, าสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็พระศีลสมบูรณ์ในพุกสัมบัติได้ก็พระศีลบรรลุมรรคผลนิพานได้ก็เพราะศีลนะแต่เราจะเห็นว่าในแนวนิพานเนี่ยที่จริงศีลมันเป็นเบื้อต้นเป็นฐานเท่า น, านั้นเิง ไม่ใช่ว่าบรรลุนิพพานพระศีลแต่ถ้าระดับสุกติก็พพกสมบัติมันก็ไปได้คือบังเกิดในสุขติได้แต่ถามว่าบุญเมื่อไรบาปเมื่อไหร่นะไปทำอะไรมาจึงในเป็นเช่นนั้นออนนี้ก็อย่างรายละเอียดที่พระอนุรุตท่าเล่าเึ่งเรื่องของท่านบางเรื่องของคนอื่นบ้างหรือยอย่างที่ รรปรุชาทรงเปล่งพระพุทธอุทานในที่ต่างๆก็คิดว่าในตอนต่อไปก็คงจะเอาพระเถระอีกสักสองรูปนะนะสองรูปเราก็เปลี่ยนไปที่พระสูตที่ก็นึกจะไปที่มัชชิมานิกายอยู่แต่ว่ามัชชิมานิกายนี่ยาวมากคือแต่ละเล่มเนี่ยมันยาวมากแล้วก็แต่ละประเด็น คือส่วนหนึ่งนีนมันยากเกินไปที่จะออกวิทยุหรือการพูดออกวิทยุนั้นต้องต้องไม่ยากเกินไปเพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วสมาชิกที่ฟังเนี่ยจะจํากัดอยู่จํากัดอาคิดวงอยู่เท่า น, นั้นนะไม่ขยายเพราะว่าฟังแล้วไม่น่าสนใจเพราะว่าไม่เข้าใจฟังแล้วไม่น่าสนใจไม่เข้าใจ มาติดตามรายการของพระพวกอยู่คนหนึ่งเขาทำรายการธรรมะทางวิทยุเ m เอมหมือนกันของคนหนึ่งก็เพราะว่าคนที่ฟังแล้วก็โทรศัพท์มาคุยกับเขานี่นะมีไม่เกินสิบคนแต่ประทีินอยู่มีสีห้าคนเกือบทุกคืนสียห้าคนเนี่ยพูดทุกคืน คนอื่นก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดที่จะแสดงความเห็นแต่คนความมันจะมากเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าถ้าสังเกตจากคนที่ถามไว้ทำไมมันคับแคบจังล่ะอย่างในสมัยที่รายการนี้มีการตอบปัญหาในวันจันทร์ ทานฟังที่เป็นสมาชิกอยู่ก็จะเห็นว่าคนมีความหลากหลายถึงแม้จะซ้ำซ้าบ้างนะฮะแต่ว่าคนหลากหลายแล้วก็จำนวนมากเราฟังรายการอื่นมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือคนมีความหลากหลายแล้วก็ปริมาณไม่ค่อยซ้ำจำนวนเนี่ยไม่ค่อยซ้ำคนเองก็ไม่ค่อยซ้า ก็อาจจะเปลนเพราะเขามีบัญญาติว่าถามแล้ววันก่อนก็พูดแล้ววันนี้ไม่ต้องพูดแต่คนอื่นเขพูดบ้างแต่อาจจะเป็นเพราะรายการให้แสดงความคิดความเห็นนักแสดงความคิดความเห็นก็คุมไว้เองทั้งสี่ห้าคนอ่ะกาแสดงความเป็นทุกคนืนดำน้ามั่งอะไรมั่งก็ว่าไปเรื่อยเลย ก็เลยก็ทำให้บรรยากาศมันก็สิ่งงไปแต่ว่าเรื่องพระสาริบุตรพระโมคคลานะก็ค่อนข้างยาวเด็กก็ค่อนข้างพิสดารแต่คงจะเอามาเฉพาะในเทระคถานะฮะเพราะถ้าเอามาหมดก็ว่ากันเป็นปีๆลนะ ปวดงานท่านเยอะนะฮะพระสารีบุตรประโมคลานะนี่ยปดงานเยอะแล้วท่านก็บอกว่าพระาศาสดาเราได้อยู่ใกล้ชิดแล้วคำว่าใกล้ชิดในที่นี้หมายถึงการสัมผัสพระพุทธคุณคือประกอบด้วยปัญญาบริสุทธิ์และกรุณา มันเกิดเป็นการสาธารณะคือทั่วไปเกศคนทั้งหลายเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเราเกิดห่างกันตั้งร่วมหกรอยปีรอบรอบไปสองพันหร้อยปีแต่ว่าถ้าเราน้อมนำเอาปัญญาบริสุทธิ์ก ร, รุณามาไว้ภายในจิตใจของเราเราเห็นปัญญาบริสุทธิ์ก ร, รุณาระดับหนึ่งนะะก็ชื่อว่ากล้ชิด หรือเข้าใกล้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไปแต่พระนุรุตนั้นท่านใกล้ชิดใกล้ชิดในส่วนกายก็ใกล้ชิดในส่วนเครือญาติเองก็ใกล้ชิดในส่วนธรรมะเองก็ใกล้ชิดในส่วนสาวกก็ใกล้ชิดคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทําเสร็จแล้วคือท่านที่บรรลุมรรคผลเป็นประธานนั้นท่านเรียกว่า กระตังกันในยังธุรกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วมันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกับที่พระเจ้าทรงแสดงผลแก่พระอระหันต์ชุดแรกห้ารูปคือท่านปัญญวคิคีก็ออกมาถึงจุดหนึ่งบอกว่า ุสุขทั้งหลายอริยส า, าวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายท่านในรูปหน่า ย, านานายาท่านในเวทนาหนยท่ า, า, านในสัญญานายท่านในสังขารนายท่านในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็จะพน้นเมื่อจิตพ้นแล้วก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ จะดั้นยานก็จะบอกตัวเองว่าชาติคือความเกิดนะสิ้นแล้วประมรจันคือการปฏิบัติเพื่อละชั่วประพฤติดีนั้นหมดแล้วคือเสร็จแล้วไม่ต้องประพฤติแล้วกิจที่ควรทำเกี่ยวกับการละชั่วประพฤติดีก็ จ, จบแล้วกิจในธรรมนองนี้ อย่างที่เคยทำมาในพระชาติต่างๆนั้นไม่มีต่อไปแล้วมันมีกิจของผู้อนุเคราะห์โลกท่านนั่นเนองเหลืออยู่ก็คือการเที่ยวจาริกไปแนะนำสั่งสอนประชาชนให้ศึกษาธรรมให้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะให้บรรลุมรรคผลต่างๆด้วยการใช้ปัญญาอย่างบริสุทธ กับคนนั้นมองในมิติเดียวคือการุณาอย่างที่เราสวดสรรเสริญว่าพุทโธสุสุโธการุณาหมานโวสมามัยพรพุทธเจ้าทรงเป็นพุทธคือผู้รู้แล้วก็สุสุโธก็คือบริสุทธิ์กรุณาหมานโวก็คือมีความกรุณาดุจท่วงทะเลลวง ประการต่อไปท่านบอกว่าภาระหนักก็ปร่งลงได้แล้วมนุษย์เรานั้นมีภาระขันธ์ภาระกิเลสภาระแต่เอาเฉพาะขันธ์นะะเอาเฉพาะขันธ์คือตัณหามันก็เป็นภาระมาณนะมันก็เป็นภาระเอทิฏฐิมันก็เป็นภาระคือสรุปว่าพวกทุกขสมุทัยทุกขสัตว์สัมุทัยสัตว์นี่เป็นภาระทั้งนั้น แต่นี้ภาระที่เป็นกุศลมันก็มีนะยางภาระในะพุทธศาสนาก็คือการศึกษาคือการปฏิบัติคือการสัผัะผลคือการเผยแผ่คือการดูแลรักษาศา ส, สนาก็เป็นภาระแต่เป็นภาระของผู้อนุเคราะห์โลกตามตัยจิตใจที่เมตตาเอ็นดูต่อเาวาโลกทั้งหลาย ศาสนาความสุขความเจริญต่อบุคคลเหล่านั้นแต่ภาระในที่นี้มันไปแบกไป อ, อุปทานคือความยึดบ้่นถือมัน่นในขันเป็นต้นเนี่ยผู้เจ้าทรงแสดงว่าขันห้านเป็นภาระหนักแต่บุคคลก็ยังแบกภาระเอาไว้การปล่อยวางภาระเสียได้ ก็จะเป็นสุขการแบกเอาไว้ก็จะเป็นทุกข์แต่เมื่อปล่อยวางได้แล้วก็อย่าไปแบกอย่างอื่นอีกนะหืออย่าไปแบกอย่างอื่นอีกเพราะถ้าแบกอย่างอื่นมันก็ไม่เบาหรอกมันเปลี่ยนของหนักอย่างหนึ่งไปหาของหนักอย่างหนึ่งของหนักอย่างหนึ่งไปหาของหนักอย่างหนึ่งอย่างที่ เราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยที่จริงเราก็แบบพลารอยู่เราท่องเที่ยวไปเรื่อยตัณหาที่นำไปสู่พบใหญ่พบใหม่นะฮะก็ถอนขึ้นได้แล้วดูตัณหานี้ท่านถอนขึ้นมาตั้งแต่บรรลุมรคลเป็นพระหันมาแล้วโปรยญาณที่เกิดผุดขึ้นภายในใจพระหันทั้งหลายนั้น มันทาหน้าที่ขจัดสัพพกิเลสนั่นแหละแต่ว่าท่านจะใช้คำว่าตัณหาตามหลักของสมุทัยศาสตร์รู้ความจริงของอริยศาสตร์แต่ละข้อว่านี่คืออะไรเป็นอะไรนี่คือทุกข์ที่เหตุเกิดแห่งทุกข์ในความดับทุกข์ในข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์เรียกว่าสัจจยาน แล้วก็รู้วิธีการในการจัดการกับอาเดียสัตว์ทั้งสี่ข้อนั้นว่าทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญระยนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือกัตยานรัตทุกที่ควรกาหนดรู้เราได้กาหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้ว นิโรธที่ควรทำให้แจ้งเราได้จะทำให้แจ้งแล้วมักที่ควรจเจริญเราได้จเจริญแล้วแล้วพอรู้ตรงนี้มันก็กลายเป็นอาสวัคยานอาสวัคยานก็หมดอาสวะกิเลสจิตก็หมดปุปปาทานจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วจะจบลงอย่างนั้นตอนท่านก็ถอนหมดตั้งนานแล้วนะไอ้พวกนี้มันหมดตั้งนานแล้วเป็นตอนท่านบารรลุก็เรียกกิเล ส, สนิพานเะนี่ยกิดดับกิเลสได้แล้วแล้วข้อสุดท้ายเป็นการบอกเล่าคือหมายความว่าคานคําเล่านี่มันเป็นเรื่องอนาคตเพราะมันยังไม่เกิด แต่ว่าเป็นการพูดด้วยอนาคตังสยานคือรู้ว่าต่อไปท่านจะเป็นยังไงต่อไปท่านจะเป็นยังไงต่อไปท่านจะเป็นยังไงก็บอกว่าเพราะความสิ้นไปแห่งชีวิตเราจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพานด้วยอนุปาติเสสนิพานธาตุ ถ้าเราสังเกตนะเราจักหมายความว่าในขณะนั้นยังไม่นิพานพูดเป็นอนาคตว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพานด้วยอนุปน า, นาติเสสะนิพานธาตุในภายใต้พุ่มกอไผ่ไร่หมู่บ้านเวลัวคามในแคว้นวัต ช, ชี ดังนี้แล้วบางเราสังเกตนะครพระศาสดาเราก็ที่ผ่านกค่นไม้เอา้าพระนุรุกก็มานิพานใต้กอภยัยนิพานคือไม่มีความอะไรในขันไม่ได้ห่วงใยในขันแต่อย่างเนี้ยมันก็ทําให้ติดใจในเรื่องเรื่องพระทาที่ เสด็จไปนั้นไปนี้ไปโน้นอะไรมากมายก่ายกองบางแห่งมีเป็นแสนแสนองอยางเงี้ยยี่ยไปเรื่องตีน่าคิดว่าเนี่ยพระหัตท น, นิพพานอย่างเงี้ยแล้วใครก็ไม่ได้จัดการชาวบรนไกิจศพอะไรให้ท่านหมดทุกรูปเพราะบทีท่านก็ไปนิพพานอยในป่าในเขาในถ้ำไม่ได้มีเยื่อใยเสนิห์อลัยอยู่ใน ขันที่ท่านทิ้งไปแต่ประการใดเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับพระบรมสารีธาตุอยู่คือไอความสนใจก็มาเองไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่นะฮะเลยก็มีประสบการณ์บ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราก็เห็นว่า เ, าเป็นเรื่องอจาจซจย์ ถ้าคนอื่นนั้นมันโอ้นี่มันราชกุมาร น, นะเนี่ยพระอระหันต์ที่เป็นราชกุมาร น, นะน่าจะนิพพานที่ในที่ที่มันน่าจะนิพพานผ่านแล้วคนก็จัดการเกี่ยวกับพระสบเรียบร้อยสวยงามคือมาพระอระหันต์เนี่ยมันแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์ตลอดเส้นทางของท่าน ไม่ใช่เราดูจากการทําการพูดอย่างเดียวแต่เราดูจากความคิดความรู้สึกนึกคิดจิตจิตใจข้างท่านเนี่ยว่าโอ้บริสุทธิ์จริงๆโอ้มีปัญญาจริงๆโอ้มีกามความกรุณาจริงๆทหารท่านเป็นเช่นนี้เองคือเรานี้เรียกว่าห่างไกลมากๆ ยังเป็นห่วงใหญ่สังขารตัวเองก็อยู่บางคนสั่งเสียให้เสียอุตตรุ่เลยสต่งเสียเรื่องจัดการการขันธาตุของตัวเองอุตรุ่เลยทั้งๆที่มันก็เป็นดินน้ำลงไฟอากาศเท่านั้นเองวิญญาณธาตุก็ดับไปแล้วมันไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราไปแล้ว แต่แรงพระหารท่างเข้าถึงจริงแต่ว่าเราเองนี่เข้าถึงไม่จริงเป็นวงเป็นยายสร้างเรื่องโศพต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต่างเสือวุ่นหมดเลยนี่คือเราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันสามารถพัฒนาตัวเองไปถึงจุดหนึ่ง ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งใหญ่มากๆชนะกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงจะลืนะฮะของท่านเนี่ยเวลาพูดไปเนี่ยมีทั้งอดีตมีทั้งอนาคตมีทั้งปัจจุบันแสดงว่าญาณมันปกแผ่แพร่กระจายออกไปนึกจะพูดอดีตก็ได้นะคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้เรื่องกระแทศทิดา เป็นเรื่องอดีตเรื่องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเรื่องเป็นป เ, าา เ, เ, น ท, ท, เท้าสกตะเทวราชก็เป็นเรื่องอดีตในขณะเดียวกันเรื่องเป็น น, นายอนนภาระ ก, ก็ดีเรื่องบังเกิดในสกุลสักยะก็ดีก็เป็นเรื่องอดีตเอาพบอบรรลุนิพพานเนี่ยมันยังไม่นิพพานนะฮะยังไม่นิพพานแต่บอกว่าจักนิพพาน ในอนาคตท่านจะบอกเมื่ออายุท่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละที่เรียกว่าจักนิพพานตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นบอกรายละเอียดไปหมดเพิ่มแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีพระหันอยู่ในาศาสนาเราเป็นจำนวนมาก ต่ปัจจุบันก็คงมีอยู่เพียงแต่ว่าไม่มากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าท่านองค์ไหนเป็นประหานท่านนั้นเองต้องฝั่งทหลายเสียงทางจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี